ท่านมองว่าคําว่าอัลลอฮ์คืออิสมุลละอัลอาดอมเป็นชื่อของอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อัลลอฮ์ไม่เคยให้ประชาชาติไหนเรียกชื่อพระองค์มาก่อนชื่ออัลลอฮ์นะครับคําว่าอัลลอฮ์เนี่ยยุค ก, ก่อนไม่เคยมีใครที่อัลลอฮ์อนุญาตให้เรียกชื่อนี้เพราะเราคิดดูง่ายๆครับคนใหญ่คนโตเราเรียกชื่อเขาได้ไหมครับสมมุติว่าเป็นนายยกหรือว่าอะไรก็ตามคนที่มีเกียรติเราไปเรียกชื่อเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจถูกไหมครับ แต่สำหรับอัลลอฮ์เนี่ยชื่อ Allah, อ, อัลลอฮ์พระองค์อนุญาตให้พวกเราเรียกเป็นการให้เกียรติเราเป็นการแสดงความรักที่มีต่อเราซึ่งท่านอบีบอกว่าเป็นชื่อที่ว่าเมื่อไรก็ตามที่ใครก็ตามขอเร้องด้วยกับชื่อนี้อลัลลอฮ์จะให้พระองค์ขอด้วยกับความรู้สึกที่ว่าอยากได้จริงรู้จักรู้สึกรักพระองค์รู้สึกผูกพันกับพระองค์อย่างแท้จริงขอล้องร้องจะให้ซึ่งชื่อนี้ถ้าเราสังเกตดูครับมีใครรู้บ้างว่าคริสต ชาวคริสต์จะเรียกพระเจ้าว่าไงครับอยาโฮวายาโฮวาเนี่ยมาจากภาษาอิบลอนิยาถ้าเราเทียบกับว่ามาภาษามาจากภาษายูเพราะว่าพื้นฐานยูกับคริสตมาจากที่เดียวกันใช่ไหมครับคริสก็บางส่วนมาจากยูคาว่ายาโฮวาความหมายตรงกับภาษาหลับว่ายาฮุวายาฮุวาภาษาหลับคือคาว่ายาฮุวา ยาฮูว่าแปลว่าโอ้พระองค์ไม่ใช่ชื่อนะยาฮูวาไม่ใช่ชื่อยาฮูวาเป็นการที่ว่าบ่าวเรียกพระเจ้าว่าโอ้พระองค์โอ้พระองค์เพราะถือว่าการที่บ่าวจะเรียกชื่อของพระเจ้าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเขาก็เลยไม่เรียกชื่อของพระเจ้าแต่เรียกว่าโ oh, อ้พระองค์เลยก็เลยเป็นคําว่ายาฮูว่าผมเคยบอกนี่คือความเมตตาของลที่พระองศ์อนุญาตให้เราเรียกชื่อนี้ของพระองค์ อัลลอฮ์ผ่านไปแล้วบิสมิลลาห์ด้วยพระนามของ Allah. อัลลอฮ์อัรลอฮ์มานอัลลอฮิมทั้งคู่คําว่าอัลลอฮ์มานกับอรัรลอฮิมมีพื้นฐานศัพท์มาจากคําว่าเมตตาเหมือนกันรอยฮิมาแปลว่าเมตตาแต่ความหมายต่างกันซึ่งก็มีการสปอยต่อคําตอบเรียบร้อยแล้วว่าต่างกันยังไงจะซาคิดแล้วคาราขอบคุณมากๆผมรู้สึกดีครับรู้สึกดีมีผู้มีให้การส่วนร่วม ก็คือนักการมีความเห็นต่างกันว่าอัลลอฮ์มานกับอัลลอฮีนเนี่ยความหมายน่าจะต่างกันยังไงทัศนะที่ผมคิดว่าน่าจะถูกผมใช้คําว่าน่าจะเพราะผมอาจจะถูกแล้วผมอาจจะผิดเพราะว่าเรื่องนี้มีหลายทัศนะทัศนะที่มีน้ําหนั ก, ก็มีสองทัศนะทัศนะที่ผมคิดว่าน่าจะถูกคือทัศนะที่มองว่าอัลลอฮ์มานแสดงถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีให้โดยที่ว่าไม่เลือกเลย ให้ทุกคนโดยที่ไม่ดูว่าผู้ที่จะได้รับมา น, นั้นคู่ควรหรือไม่ขอให้เป็นสิ่งที่ a l ะ a h สร้าง Allah เมตตามหมดเลยเรียกว่าละมานนี่คือเหตุผลว่าทําไมคนที่เนรคุณต่อ Allah อทาไมคนที่ทํำบาปใหญ่ทําไมคนที่เนรคุณต่อพ่อแม่ทําไมคนที่ทําความชั่วร้ายทําไมเขายังหายใจได้ ทำไมเขายังมีอากาศกินทำไมเขายังมีทรัพย์สินทำไมคนชั่วยังมีเพราะบางคนสงสัยว่าทำไมทำความชั่วขนาดนี้ทำไมอัลลอฮ์ยังเมตตาเขาอยู่เพราะเราอย่าลืมนะครับเวลาที่จาเฟสก็คือคนที่ไม่ใช่มุสลิมคนที่เวลาที่จาเฟสอยากได้อะไรก็ตามใครเป็นคนตอบครับใครเป็นคนตอบคําขอของเขาอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกในกุศลว่าไงครับอัมมอยู่ชีบุลมุตตาะหอิซาดาหู ใครกันเล่าที่เป็นคนตอบรับคำขอของคนที่เดือดร้อนเอเลาไม่ได้บอกว่าเรารับคำขอเฉพาะมุสลิมถ้าเป็นคนเดือดร้อนขอต่อให้เขาไม่ได้ขอหรอต่อให้เขาขอพระเรูปของเขาต่อให้เขาขออะไรก็ตามที่เขาเชื่อมั่นว่ามีแต่ไม่มีไม่มีแล้วนอกจากหรอถ้ามีคนเดือดร้อนมีความเดือดร้อนเอาเจะให้ความช่วยเหลือเขาเสมอนี่คืออัลอ์มาน ผู้ที่ให้ความเมตตาโดยที่ไม่ดูว่าคนที่ได้รับคู่ควรหรือไม่ <S <S เป็นความเมตตาแบบ <S 2> <S 2> มไม่มีเงื่อนไขอะครับเป็นความเมตตาแบบมไม่มีเงื่อนไขเหมือนกับแม่ที่ว่าลูกจะเลวจะอะไรแค่ไหนความเป็นแม่ก็ต้องรักลูกถูกไหมครับความเป็นแม่ก็ต้องให้ความช่วยเหลือลูกต่อให้ลูกผิดอะไรแค่ไหนแม่ก็ต้องช่วยนี่คือรักแบบไม่มีเงื่อนไขนี่คือความรักของเราส่วนคําว่าอรัรอหิม คือความเมตตาของอัลลอ์ที่อัลลอฮ์จะให้ผู้ที่คู่ควรกับมันเท่านั้นซึ่งก็คือในโลกหน้าอย่างที่พวกเราทุกคนมุสลิมเราเชื่อมัน่นโลกหน้าคือโลกแห่งการตอบแทนโลกหน้านะครับความเมตตาของอัลลอฮ์จะมีให้แก่ผู้ที่คู่ควรกับมันเท่านั้นก็คือจะมีให้กับมุสลิมเท่านั้น ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บแปลเป็นภาษาไทยยากละด้วยนามขอละผู้ที่เมตตาต่อทุกสรรพสิ่งผู้ที่เมตตาต่อผู้ศรัทธาอันนี้เป็นการแปลที่น่าจะใกล้เคียงที่สุดเท่าที่ผมคิดออกก็คือบิสมิลลาฮีราะห์มานุรรหิมจะแปลว่าด้วยนามขอละผู้ที่เมตตาต่อสรรพสิ่งก็คือเมตตาทุกอย่างอาราะห์มานผู้เมตตาต่อผู้ศรัทธาก็คืออารรหิมก็คือ ใช่เลยครับผมผมมาใข้ใจคำว่าผิดผมมาใช้คำว่าผิดคือที่เราแปลปกติที่ผ่านมาไม่ได้ผิดคือคำว่าธรรมานกับเราหมก็แปลว่าเมตตากรุณาเนี่แหละเพียงแต่ผมมองว่ายังไม่ชัดไม่ชัดเฉยคือตอนนี้เราพยายามมาทําให้มันชัดขึ้นซึ่งผมก็หวังว่ามันจะถูกอันนี้เราขยายให้มันชัดขึ้นครับมันจะไม่ต่างครับ ครัออกกรุณาจะน้อยกว่าเมตตาไหมครับครับคือคือกรุณาปานีเมตตาผมผมยังแยกไม่ออกเลยแต่ครับในฐานการุณาเมตตาจะน่ากว่านะครับเมตตานักกว่านี่ก็แปลว่าถ้าเอาความหมายที่ว่ามาเปิ้นจะแปลสลับเนาะครับ เมตตามาต้องอยู่ก่อนผู้เมตตาผู้ปานีเพราะเมตตานี่คือตัวหมดปานีเฉพาะผู้สัทธ า, ไ ม, านะไม่ก็ครับงั้นเมตตาต้องแปลก่อนผู้เมตตาผู้ปานีก็คืออ๋อแกครับเมตตานิสติเป็นผู้นิสินคือสัมาวิชชครับคือแนะกว่าตรงนี้นก็แปลว่าถ้าเป็นภาษาไทยที่ถ้าจะยิดเลย เนื้อหาเอาไปว่าเราเอาตามที่ตอนนี้คือเข้าใจภาพรวมแล้วอ่ะครับผมส่วนท่านใดจะใช้สัมมวลยังไงก็คือสัมวลนั่นแหละครับสัมวลนั่นแหละสัมวลมตามที่เข้าใจเล่าไว้ในฐานที่เข้าใจแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะละหมาดอิชาใช่ไหมครับอย่าลืมว่าสุรภัตติฮะมันมีความประเสริฐมากมายซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยคุยกันคือวันเดียวคงไม่จบแต่ปัญหาก็คือเวลาละหมาดเนี่ยต่อให้คนที่แปลฟาติฮะเป็น หลายครั้งเราจะไม่ได้คิดความหมายไปด้วยหลายครั้งเราจะรีบรีบรีบรี บ, รบอ่านให้มันจบจบคำดูลิลแลโรบินาอะไรมีลาลมาเนโรฮิมมิมลิกียวมิดอะไรก็ตามจนจบแล้วก็จบปุ๊บก ป, ปอามินประเด็นของการอาาร่านอัลกุรอานที่แท้จริงอยู่ที่การเข้าใจความหมายตอนนี้เราจะมาพยายามทำความเข้าใจกุรอานให้มากขึ้นงั้นความหมายบิสมิลลาฮิราะมานยุร่าหมชัดเจนนะครับในที่นี้มีชื่อขอรอขอพูด เล็กน้อยเกี่ยวกับชื่อขอร อ, อนิดนึงเกี่ยวกับชื่อขอร์ล้อแล้วจะมีพาระนามที่ว่าจําเพาะสําหรับพระองค์เท่านั้นคือห้ามคนอื่นใช้ชื่อนั้นซ้ํากับพระองค์กับมีพระนามหรือว่ามีชื่อที่ว่าพระองค์อนุญาตให้คนอื่นใช้ได้ด้วยใช้ร่วมกับพระองค์แต่ว่าความหมายไม่เหมือนกันแน่นอนความหมายไม่เหมือนกันยกตัวอย่างคําว่าอะรอฮ์แมนอะรอห์แมนเป็นชื่อขอร์ล้อที่ไม่อนุญาตให้มนุษย์คนไหนเรียกตัวเองด้วยกับชื่อนี้เด็ดขาด คือเราจะบอกว่าชื่อนี้สวยจังเลยอยากตั้งให้ลูกชื่ออะลฮมานได้ไหมไม่ได้ชื่อนี้เป็นชื่อเฉพาะของอัลลอฮ์เท่านั้นส่วนรอฮีมอัรอฮีมถ้าตัด อ, อัลหรือแค่คําว่ารอฮีมคําว่ารอฮีมคือผู้ที่มีความเมตตาให้กับผู้ที่คู่ควรเนี่ยสามารถใช้เป็นชื่อมนุษย์ได้ ซึ่ง Allah ได้เรียกท่านนบี m ว่าเราั้ง้าุมอันฟิซิุมเรียกคุณลักษณะของท่านนบีว่าเป็นผู้ที่มีความเมตตาต่อผู้ศรัทธาและ Allah ก็เรียกนบีว่ารหีมแต่ว่าชื่อของ a l ในแผนกที่สามารถใช้เรียกคนได้เนี่ยห้ามใส่อัลเด็ดข ห้ามใส่อัน้นเพราะถ้าใส่อั้นจะเป็นของอัลลอฮ์เท่านั้นแต่ถ้าไม่ใส่อัน้นเรียกมนุษย์ได้บางชื่อเพราะฉะนั้นดีที่สุดสําหรับมุสลิมนบีบอกว่าชื่อที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดคือชื่อที่ขึ้นต้นด้วยกับคําว่าอับดุลที่แปลว่าบ่าวแล้วก็ตามด้วยกับชื่อของ Allah. อัลลอฮ์อับดุลราะห์แมนอับดุลละอับดุลมุซินอับดุลสาลามอะไรก็ได้ที่มีคําว่าอับดุลแล้วก็มีชื่อตาม อันนี้ใช้เรียกผู้ชายเนาะอับดุลคือผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงจะใช้คำว่าอามาตุลซึ่งผมไม่เคยได้ยินใครตั้งชื่อลูกว่าอามาตุลหรอไม่เคยได้ยินนะอามาตุลหรออามาตุลหรอมะไม่เคยได้ยินอการตั้งชื่อมีเจดที่ว่าอยากจะฝากไว้ว่ามุสมลิมเราถือว่าทุกคําที่เราพูดออกมาเนี่ยเป็นการขอจากอัลลอฮ์เป็นดุอา นบีกําชับว่าเวลาตั้งชื่อลูกต้องตั้งชื่อที่ดีที่สุดเพราะทุกครั้งที่มีคนเรียกมันจะเป็น د ع อาให้เขาคือชื่อปกติชื่อเด็กที่เราจะตั้งเนี่ยดีที่สุดอย่างที่บอกก็คืออับดุลตามด้วยกับชื่อของเราถัดมาก็คือชื่อที่มีความหมายที่ดีงามทั้งหลายหรือชื่อที่เป็นชื่อของวีรชนในอดีตคนดีๆในอดีตซารหาห์ชัดมรยัม มูซาคิดเดหรือว่าใครก็ตามที่เป็นชื่อดีๆในอดีตหรือชื่ออะไรก็ได้ที่ความหมายดีแล้วต้องย้ำสำหรับคนเป็นแม่ย้ำคนเป็นแม่ค น, คนที่มีลูกมีหลานนะครับผมผมย้ำคนเป็นแม่เพราะดูอาของคนเป็นแม่อัลลอฮ์รับแน่นอนน่ากลัวกว่าคนเป็นพ่ออย่าเรียกลูกด้วยกับสิ่งที่ไม่ดีเพราะอัลลอฮ์จะให้ลูกเราเป็นไปนแบบนั้น แบบบางทีแม่บางคนหงุดิดลูกอะครับผมขอพูดคำหยาบออกสี่อนิดนึ้อาจขอโทษอาจจะเป็นไอบัฟ f a โลพูดอย่างนั้นถือว่าเป็นดูอาถึงเวลาลูกเป็นบัฟเฟโลขึ้นมาโทษใครไม่ได้พ่อแม่เป็นคนขอให้ลูกเป็นคือบางทีคนเป็นแม่โกรธไงลูกนี่มันชีวิตนี่มันตึงเหมือนมีทางได้ดีไม่ได้ดีแน่นอน พ่อแม่ขอดูอารับรองแล้วเอาละรับเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ในฐานะคนเป็นแม่นะครับเน้นคนเป็นแม่อย่าไม่ว่าจะโกรธแค่ไหนก็ตามพอถึงเวลาถ้าลูกเดือดร้อนมาใครเสียใจครับแม่นั่นแหละถูกไหมครับคือถึงเวลาคือเวลาโกรธมันก็โกรธไงแต่ถ้าลูกเป็นอะไรขึ้นมาแม่ก็ร้องไห้คนแรกนี่นแหละเพราะฉะนั้นแม่ขอให้ควบคุมอารมณ์นิดนึงเวลาโกรธ ม, มากๆจะด่าอะไรก็ขอด่าที่มันไม่ใช่ดูอาจันทร์คุณ แม่อาคลีูสักโกรธแล้วขอดูอาให้ดีเนี้ยกับหมาบุคคลอ๋อทำดีแล้วผมเครดีตไหมอย่างนั้นครับคือจะมีสติครับว่าถ้โกรธโกรธลูกทนที่จะด่าก็โอ้เราขอให้เขาเป็นคนที่มีความรู้ศาสนาอ่าครับที่จะแสสนะแทนที่จะด่าเยี่ยมครับความโกรธตรงนี้ให้เป็นความดีทุกเรืเพราะนั้นฝากไว้เลยแบบที่อาจารย์มานัสบอกนะครับถ้าอยากจะด่าลูกใช่ไมไอ้ลูกไม่รักดีขอให้มันรักดีสักวัน อ่าแทนที่จะให้เขาเป็นคนที่สิ่งที่เราอยากจะไม่ให้ได้ก็ให้เป็นสิ่งแย่ในใจตรงนั้นใช่ไเอ่นเขาเขาเขาเร็วอะไรก็แล้วแต่ครัโอ้เราขอให้เขาเป็นคนที่ดีที่สุดในหมู่ชนเขาหรือเพื่อนเขามันก็จะเป็นสิ่งที่แทนจะเป็นตัวอานที่ไม่ดีเป็นสาดแช่งก็กลายเป็นการ<อ>ให้พรไปซะครับงั้นคือบางทีคือควารู้สึกนะครับอ่าครับ อันนั้นนี่ถ้าเป็นกำเนืองนี่เหนียดมาค่อยดีแกครับรู้สึกฟังแล้วมันเจ็บนะครับมันฟังดูดีดูดีแต่ฟังแล้วมันเจ็บยังไงก็ไม่รู้แต่ต้องรองนี่เยอะเลครับก็คือถ้าเกิดคนเป็นพ่อดูอาก็อาจจะรับอาจจะไม่รับอีกแล้วคนอยู่ยคนละเกตพ่ออยู่คนละเกตกับแม่เพราะฉะนั้นคนเป็นแม่ระวังนิดนึงนะครับผมยิ้มอย่างนี้ต้องมีอะไรดีๆแน่นเลยอ่าครับ เรื่องเรื่องของชื่ อ, อ, อผมพานอกเรื่องมีอีกนิดหนึงท่านอ บ, บีบอกว่าชื่อที่เหมาะกับคนที่สุดแต่มีอยู่สองชื่อคําว่าเหมาะในที่นี้ก็คือว่าความหมายสื่อถึงคนมากที่สุดไม่ใช่ส่งเสริมให้ตั้งชื่อนี้แต่สิ่งที่เหมาะกับคนที่สุดมีอยู่สองชื่อชื่อแรกก็คือฮาริสฮาริสแปลว่าอะไรครับผู้ที่เพาะปลูกผู้ที่เพาะปลูกเพราะอะไรครับ เพราะคนเรามาอยู่ในดุนยาเรามาเพื่อที่มาเพาะปลูกแล้วก็จะไปเก็บเกี่ยวในโลกหน้าทานายบีก็เหร อ, อ น, นี่เป็นหนึ่งในชื่อที่ว่าเหมาะกับคนแต่ว่าไม่น่าจะมีคนตั้งเท่าไหร่คิดว่านะครับผมผมว่าดูเวลาไม่ทันขอโทษกับครับออดมีคนเคยถามว่าตั้งตั้งชื่อลูกไว้เบลลสได้ไหมผมก็ เอาเอาเอาที่คุณสบายใจแล้วค่ะคือก็บอกเขาไปทุกอย่างาที่บอกได้แล้วนะครับแล้วก็บอกว่าอยากตั้งกับผมไม่เกี่ยวแล้วนะผมบอกท่าที่บอกได้แล้วนะเพราะาบางคนสมัยนี้บางทีตั้งชื่อหรือแล้วอยากอยากเอาเท่อะครับมีคนนึงมาปรึกษาแล้วเขาบอกว่าเขาชอบชื่อชื่อหนึ่งแล้วเกินมันแปลว่าคนที่โดนตัดขาดเขาบอกว่าชื่อนี้มันฟังแลมันเท่และเกินขอตั้งชื่อนี้ได้ไหมผมก็บอกว่า เอาสิอยากให้ลูกโตมาแล้วมีแต่คนตัดขาดคุณก็ตั้งชื่อนี้ไปแล้วกันผลสุดท้ายก็ทำได้แล้วสึกเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนใจแปลชื่ออื่นคือเรื่องเท่อย่าไปห่งเท่เยอะสำหรับมุสลิมันต้องระวังมาดูฟาติฮ า, างั้นอายาแรกก็ผ่านไปนะครับบิสมิลลาฮิรราะห์มะอุลลอฮิมโอเคครับ <laughs> ผมผมมุสสาจะผมมุสสาจะเนีย น, นนะครับเพราะว่าผมลืมไปชื่อนึง <ashamed> เขาแตกไวมกัน <az> แตกไวมกันอ่าถ้าคิดได้ครับเอ๊อมีฮาริสกับมีมีผู้ชมทางบ้านไหมครับ <im> อ่าถ้าเกิดว่ามีใครคิดออกชี้เตือนผมหน่อยคือผมผมคิดแล้วผมคิดไม่ออกคิดออกฮาริสชื่อนึ่งกับ <im> <im> จะเป็นชื่อหนึ่งอะไรฮาตุนเหนือไง <im> ข้ามไปก่อนโอเคครับจะรักความน่ารครับครูมาปล่อยผมเลยนะครับ <im> <im> ผมบริษัทเงียนจะเปลี่ยนปตชากไปแล้วนะเอาอายะที่สองครับอัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบิลอาลามิน เวอร์ชันคลาสสิกที่มักจะแปลกันก็คือการสรรเสริญทั้งหลายเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ซึ่งผมค่อนข้างจะมั่นใจเลยว่าถามร้อยคนน่าจะคนที่เข้าใจผมว่ามีไม่ถึงสิบคนผมถามตอนนี้ก่อนแล้วอ่านอย่างเงยการสรรเสริญทั้งหลายเป็นสิทธิของอัลลอฮ์คิดว่าแปลว่าอะไร <Okay. S 1> สมเนวนี้แปลว่าอะไรครับแปลไทยเป็นไทย <S <S การสรรเสริญทั้งหลายเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ แล้วเรามาดูว่ามันตรงกับความหมายจริงๆหรือเปล่าทั้งหมดที่ผมแปลความหมายชัดเจนเปิดดูในคําศัพท์ได้เลยในประธานรักลมรับรองว่าอินชาร์ลส์ผมไม่มั่วกับพวกเราทุกค น, น, นมันแปลว่าอย่างครับไออย่างกับสารเสื่มมดเลย ม, นะ ม, มันไมนจะแปลว่าคือตาเนี่ย ที่เราท่องจำกันมาเป็นประจำอัลฮัมดุลิลแล้วเราจะแปลว่าการสรรเสริญทั้งหลายเป็นสิทธิของอัลลอ์ซึ่งตั้งแต่เด็กมวนการสรรเสริญมวการสรรเสริญนี่จะรวมทั้งหมดเกี่ยวกับการสรรเสริญอะไรก็แล้วแต่เนียพ่อพี่อ่าก่อนมอเป็นลมันแปลว่าอะไรครับเราอยากจะมอบคาขอบคุณทั้งหมดให้กับอัลลอฮ์คำขอบคุณแต่คุณจะขอบคุณต่อรอก่อนเราราประจัาในสิ่รที่เราอยากได้โอเคอาจารย์มามาถูกะครับครับครับ ครับแล้วบรรดาการสารเสริญเป็นของอัลลอฮ์มันแปลว่าอย่างครับทำสารเสื่อฮุบกามฮุบแจฮันดิแจอบเพื่อนครับเปของอลลอมันแปลว่าอย่างครับมอบเพื่อนเหรอไม่เละครับมีควาเข้าใจเยี่ยมครับเยี่ยมครับขอบคุณครับมาซาลอครับก็คือความหมายของคาว่าอัลฮัมดูฮัมดุนแปลว่าสารเสริญอันนี้ถูกต้องแล้วฮัมดุนแปลว่าสรเสื โอเคเดี๋ยวเราลับอาจารย์ก่อนครับ